หมายถึงได้บรรลุอรหัตตมักอรหัตตะผลพาสิทธ์ของสนางกุมารพรพมข้อสพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสติปัฏฐานคือการตั้งสติสี่อย่างไว้ดีแล้วทรงแสดงการตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือธรรมะทั้งภายในและภายนอกห้า